เขาอากาศพ่อแม่กวดจากเพื่อนสถานธรนมิจเจริญอนโยมชาวที่ชาวไรชาวพังงาภูกเก็ตรู้อยู่ว่าที่นี่พังงาเห็นคนภูกเก็ตเขาก็บอกเขามาเยอะก <c oughs> นะ็เป็นบุญนะเป็นบุญร่วมกันได้มาเจอกันคนไม่มีบุญร่วมกันไม่เจอกันหรอก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 ถ้ามุ่งมาสู่ความทุกข์ดังนั้นคําตอบที่พวกเราชาวพุทธจะได้รับก็คือเรามีวิธีการที่จะมีชีวิตอยู่แบบมีความทุกข์น้อยๆหรือไม่มีความทุกข์เลยถ้าเราพัฒนานได้ดีพอเนี่ยความทุกข์ทางใจมันจะหายไปอย่างเด็ดขาดเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาทุกคนต้องทุกข์หมด ครูบาอาจารย์ท่านภาวนาเกิงๆนะทางร่างกายท่านก็ยังทุกข์อยู่แต่จใจท่านไม่ทุกข์ด้วยแล้วพวกเราจะมาภาวนากันพกเพื่ว่าจะถอนเอาความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้ตัวที่ทำให้ใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาก็าพวกเกลียกิเลสทั้งหลายนะปัญหากิเลสพวกนี้ถ้ามันเข้ามาครอบครองจิตใจของเราได้เราก็จะเกิดความทุกข์ ในจิตใจขึ้นมา่นะวยความทุกข์ทางร่างกายนะทาไงก็แก้ไม่ได้หรอกนะแก้กัาเป็นคราวๆไปเช่นง่วงก็ไปนอนหิวก็ไปกินไม่สบายก็ไปหาหมอบ้างอนะไรเนี้ยแต่ความทุกข์ทางใจนะี่มันเกิดจากกี่ปัญหาใหนะ้เราต้องมาต่อสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันทีเลยตัญหามันคลองโลกมาแต่ไหนแต่ไนะครคลองโลกอยู่ตลอดเวลา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 พอเราไปทําเรื่องนอนมันก็สบายใจขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็สั่งให้ทําเรื่องใหม่อีกละ ว, วันๆเราถูกสั่งทั้งวันเลยนะเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะเราเสียอิสระภาพไปนะนี่ทําไงเราจะปลดปล่อยตัวเองจากกิเลสตัณหาพวกนี้ได้ต้องรู้ทันมันนะต้องรู้ทันมันกิเลสตัณหามันอยู่ที่ไหนนะอยู่ในใจเรานี่เองนี่มันสะสมมาข้ามภพข้ามชาติสะสมมานาน กิเลสมีทั้งหลายระดับมีกิเลสอย่างหยาบหยบเช่นโกรธแรงรแรงโลภแรงแรงหลงแรงแรงนะฟุ้งซ่านแรงแรงลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยแรงแรงวันนี้ก็นับถือพระพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งก็ไม่นับถือแล้วมีหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรนี้นนะก็สงสัยลังเลไปเรนะื่อยกิเลสแรงแรงนะนจะทําให้เราผิดศีลอย่างความโลภแรงแรงเกิดขึ้นนะ ก็ไปลักไปขโมยเขาอะไรนะการมาราค้าแรงๆก็ไปเป็นชู้กันอะไรทให้เราผิดศีลผิดธรรมความโกรธแรงๆก็ไปฆ่ากันไปตีกันไปด่ากันนะนี่กิเลสมันยังหยาบๆยบนะกิเลสหยาบหยบต้องสู้ด้วยศีลนะกิเลสหยาบหยาไม่ได้ไปสู้ด้วยปัญญานะไม่ได้ไปสู้ด้วยสมาธิเวลากิเลสหยาบหยาบเกินนะสมาธิแตกก็เจิงหมดนะนะสู้ไม่ไหว เมื่อเราตั้งใจไว้ก่อนนะยังไงเราไม่ผิดศีลห้าหลวงพ่อไม่เรียกร้องมากนะไม่เรียกร้องว่าต้องศีลแต่ศีลสิบอะไรหรอก <c oughs> ขอศีลห้าให้ได้ก็แล้วกันนะเอาให้ได้จริงๆอ่ะศีลห้าสําคัญมากนะเวลาไปดูองค์งมรรคองค์มรรคองค์มรรคจริงอยู่ในศีลห้านะสัมมาวาจาศีลข้อสี่สัมมากรรมันตะศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม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 ชอบขึ้นมารักขึ้นมาก็ไปแย่งชิงเขาไม่ถูกต้องกำนองครองธรรมเนี่ยเพราะงั้นเบื้องต้นเลยถ้ากิเลสมันรุนแรงนะห้ามมันไม่ได้ในใจเรากิเลสรุนแรงนะตั้งใจไว้ก่อนรักษาศีลห้าไว้ทุกวันนะหลวงพ่อแนะนํานะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยตั้งใจไว้เลยวันนี้จะไม่ทําผิดศีลห้าแต่ ข, าขา่าวๆนี่ศีลห้าได้ไหมครบไหม สิ่งข้อไหนรักษายากอือโอ้ข้อสี่ตบเหมือนกันทั้งประเทศเลยไปที่ไหนถามแนละ้วสิ่ข้อไหนรักษายากแล้วข้อสี่รักษายากพูดเพอเจอร์เนพูดเพอเจอร์พูดาำยาพูดสอดเสียพูดเทะส่วนมากก็เริ่มพูดเพอเจอร์กันง้ยเราตั้งใจรักษาสินนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดเลยวันนี้เราจะมีสินห้าเกิดเราตายไปตอนนั้นไม่สุขตินะ เราตายไปกับศีนกลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันนะตั้งใจอีกวันนี้จะรักษาศีลหนะ้าตอนเย็นก่อนจะนอนอนะไรี้ก่อนไหวพระสวดมนต์ตั้งใจเรารักษาศีลหนะ้าก่อนนอนตั้งใจอีกจะรักษาศีลห้าเผื่อนอนแล้วไม่ได้ฟื้นขึ้นมาไม่ตื่นตายตอนกลางคืนนะก็ตายไปกับศีนห้าต้องตั้งใจอย่างนี้นะสู้เอาจริงๆเพราะเราอย่าไปดูถูก บางคนรู้สึกศีลเป็นธรรมะต่ําเกินไปถ้ามีศีลก็มีธรรมนะไม่มีศีลไม่มีธรรมหรอกงั้นมันเป็นเบื้องต้นที่สําคัญมากเลยคนทุกวันนี้เบียดเบียนกันตลอดเวลาเลยเราละทิง้งศีลห้าไปสังคมก็เราร้อนจิตใจของเราเองก็เราร้อนคนไม่มีศีลจิตจะไม่มีสมาธิหรอกเพระจิตใจว้าวุ่นอย่างคนจะรักเขาขโมยเขาเนี่ยจิตใจว้าวุ่น ไม่มีสมาธนะิคนที่คิดให้คิดทำทานคิดอะไรอย่างเงี้ยจิตใจสงบนะมีสมาธิง่ายคนจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไม่สงบหรอกนะคนอาภัยเขาเมตตาเขาสงบนะงั้นถ้าเรามีศีล น, นะเราจะได้ธรรมะอีกตัวหนึง่งเราจะได้สมาธิง่ายนะถ้ามีศีลนะก็มีสมาธิง่ายนะจิตใจสงบนะไม่มีสมาธิแล้วค่อยมาหัดเดินปัญญา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 เป็นความดีที่สูงขึ้นไปอีกก็สมาตินี่เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสระดับกลางกิเลสหยาบหยาบสู้ด้วยศินกิเลสชั้นกลางนั่นคือความฟุ้งซ่านของจิตนาน า, นานชนิดนีความฟุ้งไปในกามเนื้กามฉันทะความฟุ้งไปในความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรนี่เรียกว่าพยาบาทไม่ชอบความฟุ้งจับอารมณ์นันทีจับอารมณ์นี้ทีดูไม่ออกดูไม่ทันนี่เรียกว่าฟุ้งซ่านอุทัด จ, จั ฟุ้งซ่านแล้วใจก็หงุดหงิดที่มานลำแขวฟุ้งซ่านลำแขวนใจฟุ้งไปคิดมากนะก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาสงสัยในพระรัตนตรัยอะไรเงี้ขึ้นามาใจฟุ้งซ่านนะใจมันฟุ้งซ่านแล้วใจมันจะไม่มีสมาธิถ้าใจไม่มีสมาธิเดินปัญญาไม่ได้เนี่เรามาหัดใจของเราให้ใหมันไม่ฟุ้งซ่านซะก่อนเบื้องต้นถือศีลไว้จะทาให้สงบง่าย พอตือ่ศีลแล้วให้ใจอยู่ในอารมณ์ันเดียวใจจะมีสมาธิขึ้นมาอย่าคนไหนถนัดพุดโทโธเราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยท่าพุโทโธในใจมันมีเคล็ดลับนะการทําสมถะทำความสงบจิตเนี่ยอย่าไปบีบไปเข้นจิตให้สงบจิตไม่ยอมสงบจิตมันเป็นเด็กดือ้อเด็กดื้อเราสั่งให้เรียบร้อยมันไม่เรียบร้อยมันจะหนีซนออกไปนอกบ้านถือไม่เรียวไปไล่ตีมัอนนะ หรือเมื่อไหร ม, มันก็หนีออกจากบ้านไปอีกหนีไปสนจิตนี้เหมือนกันมันเที่ยวสนออกข้างนอกไปเรื่อยงั้นเราต้องเอาขนมไปล่อมันอย่างเราจะไม่ให้เด็กไปสนนอกบ้านนะหาขนมไปล่อมันหาของเล่นไปล่อมันเด็กคนนี้ชอบเล่นของเล่นหาของเล่นมาล่อมันเด็กก็ไม่หนีไปนอกบ้านเด็กคนนี้ชอบกินขนมเอาขนมมาล่อมันจิตใจนี้เหมือนเด็กนะเราต้องมีสิ่งมาหลอกล่อมัน แทนที่จะปล่อยให้มันฟุ้งซ่านสเป ส, สปะร่อนเร่ออกไปนอกบ้านนอกบ้านคือออกไปนอกกายนอกใจตัวเองร่อนเร่ไปได้หลงอารมณ์ภายนอกไปได้หาอารมณ์สักอย่างหนึ่งนะที่พวกเราคุ้นเคยคนไหนถนัดพุทโธเราก็พุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจคนไหนเคยฝึกดูท้องของยุคแล้วสบายใจก็ามาดูท้องของยุคนไหนถนัดเดินจงกรมก็ไปเดินจงกรม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 คนไหนชอบพุทโธนะมาพุทโธพุทโธเล่นๆอย่าพุทโธบังคับจิตแต่พุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันคนไหนถนัดรู้ลมหายใจมารู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเล่นๆรู้สบายๆรู้ไปด้วยใจที่ผ่อนคลายหายใจไปหายใจไปบางคนหายใจไปด้วยพุทโธไปด้วยตรงข้อหัดมาแต่เด็ก ตอนเด k, เ็กๆเรียนจากทางท่านพ่อร Be ีวัดอโศกธรรมหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทท่านให้นับหนึ่งนับสองด้วยหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทนับสองอะไรก็ได้นะฮาร่มอะไรที่เราถนัดใครถนัดพุทโทก็พุทโทใครถนัดหายใจก็หายใจใครถนัดพุทธโทประกอบกับลมหายใจก็พุทโธประกอบกับลมหายใจ ใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปเหมือนกันหมด่ะไม่ดีไม่เลวแตกต่างกันแต่ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่ง<ฤ>จิตเนี้ยยิ่งบังคับยิ่งไม่ยอมนิ่งเราหลอกล่อมั น, นพุทโทไปพุทโ ท, ไ ป, โทไปจิตนีไปแล้วรู้ทั น, นมาพุทโทไปอย่างสบายๆก า, าทำสบายๆนะจิตมีความสุขจิตมีความสุขจิตจะไม่สุกสนออกไปหรือมารู้ลมหายใจหายใจไปหายใจไปนะ ถ้าคนไหนชอบลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขนะจิตมาสงบอยู่กับลมหายใจอย่าไปบังคับอย่าไปบีบไปเค้นมันค่อยๆฝึกทุกวันนะแบ่งเวลาทำความสงบจิตบ้างสิบนาทีสิบห้านาทีก็ยังดีเป็นคารวาดต่อไปมันจะเพิ่มเองอย่างหลวงพ่อนะสอนที่วัดลูกศิษย์หลวงพ่อสนใจก็คนเมืองอย่างพวกเรานี่คนในเมือง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 เคล็ดลับคือการภาวนาถ้าจะต้องการความสงบต้องการสมถกรรมฐานนะทําให้สบายนะแต่ไม่ใช่ขี้เกียจนะต้องมีสัจจะกับตัวเองทุกวันต้องทำํำนะอย่างพวกเรานุ่งขาวหมขาวเนี่ยวันละชั่วโมงไหวปะนะเริ่มทอแท้แล้วเห็นไหมขอชั่วโมงหนึ่งแล้วไม่ให้แนละ้วครึ่งชั่วโมงไหวไหมไหวไหวกี่คนที่เหลือนั่งเงียบเลยนะสิบนาทีไหวไหม 10นาทีนะขอ10นาทีแนละ้วเพื่อตัวเองอะไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อเรากตัวเองตั้งตัวเองก็ได้เลยเราไม่ได้เกี่ยวด้วยนะทุกวันนะถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธไปหายใจไปนะแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจบังคับจิตแต่หายใจแล้วรู้ทันจิตเคล็ดลับอยู่ตรงนี้แหละหายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปพุทโธไปจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ทัน ในส่วนจิตมันจะเป็นตัวรู้ขึ้นมาเป็นแค่คนรู้นะั้นค่อยๆสงบสงบสง บ, สงบไม่ใช่ผู้แสดงแล้วเป็นผู้ดูเนะื่อจิตใจนัสงบสบายพอจิตใจสงบสบายเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านเราสู้กิเลสระดับกลางๆได้ลนะกิเลสชั้นกลางก็คือความฟุ้งซ่านของจิตพวกนิวรณทั้งหลายนะฟุ้งไปชอบใจฟุ้งไปเกลียดนะฟุ้งจับจดจับอารมณ์ไม่ถูกอนะไรพวกนี้ฟุ้งซ่านทั้งหมดเลย ฟุ้งไปลังเลสงสัยในภาตนาไตรฟุ้งซ่านพอใจเราสงบนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวสบายไม่ฟุ้งซ่านในวิธีสู้นะวิธีสู้กิเลสชั้นกลางที่เรียกว่านิวรน์ักจากนั้นนะพอใจของเราสงบสบายแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญมากพวกเราอย่าหยุดอยู่แค่นี้เสียดายที่สุดเลยพวกเราชาพุทธนะรุ่นหลังๆนะ มันภาวานาไม่เอาแต่ความสุขอ่ะมันไม่พอวาวนามไม่ใช่เอาแค่ความสุขความสงบความสุขความสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะต่นเจ้าชายสิทธัตถะออกไปบวชไปเรียนเข้าสมาธิกะลือีเห็นไหมนั่นไปเรียนกับอาร า, ราดาบวตุทักดาบวตเรียนเข้าสมาธิเพราะนเรื่องสมาธิเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกยังไม่ใช่เนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาหรอกแต่เป็นทางผ่าน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 จิตก็สู้นกิเลส ช, ชั้นกลางคือสู้นิวอนได้สู้ความฟุ้งซ่านน า, นานาชนิดได้ถัดจากนั้นต้องมาสู้กับกิเลส ช, ชั้นละเอียดกิเลส ช, ชั้นละเอียดคือความโง่ของเราความไม่รู้ตัวมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายความไม่รู้ตัวอวิชชาเป็นหัวโจก ข, ของความไม่รู้ต้องมาสู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้อะไรมันไม่รู้ความจริงของชีวิต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 เรียนรู้ชีวิตเราเองสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเราก็ามีกายกับใจเนี้ยมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจมาคอยแยกแยกแยกธาตุแยกขันธ์นะฮะแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยเบื้องต้นนี่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไดนะ้การเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่อตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะตัวเดินปัญญา บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาบุคคลไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยศีลและสมาธิแต่ศีลและสมาธิเป็นต้นทางเป็นกลางทางเป็นตัวที่ส่งทอดมาเพื่อให้เรามาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา <het neat? S 1> คือความจริงของกายความจริงของใจตัวเรามีอยู่จริงหรือมาเรียนรู้ให้เห็นตรง น, นี้นตลอดเวลาตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆ นี่แหละตัวเรานี่แหละตัวเรามีชื่ออย่างนี้มีพ่อมีแม่ชื่อนี้ชื่อนี้มีนามสกุลอย่างนี้นี่ตัวเรามีอยู่จริงๆมันจริงโดยสมมุติเราวิธีที่จะทำให้เราเห็นความจริงนะของธาตุของขันธ์ของกายของใจนะว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคือวิปัสสนากรรมฐานมีหลักการสั้นๆนะสั้นๆนะให้มีสติรู้กายรู้ใจ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 ท่านชอบสอนเรื่องฌานกับสมาธิได้ยินนะไม่ได้ยินนะไปเรียนซะนะคําสอนพ่อแม่ครูอาจารย์เอาพิเศษที่สุดเลยนะท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิหมายถึงเป็นสมาธิสองชนิดฌานเนี่ยจิตเฉไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธนะจิตไม่หนีไปจากพุทโธเลยได้ความสุขได้ความสงบเราดูท้องของยุบนะดูท้องจิตไม่หนีไปจากท้องเลยจิตสงบได้ความสงบ รู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยสงบอยู่อยู่กับลมหายใจสงบตรงที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสงบแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี้ยตัวนี้หลวงปู่เทศเรียกว่าฌานเป็นศัพท์เฉพาะที่ท่านเรียกว่าฌานถ้าภาษาปริยัติจะไม่เรียกว่าฌานถ้าจะเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานชื่อยาวจํายากหลวงปู่เทศท่านตัดเหลือสั้นๆเรียกว่าฌาน พิจิตตมันเป็ดเพง่งนิ่งๆอยู่ในล ม, มันเดียวด้วยวิธีที่บอกมาตะเกียะนะพุทโธไปจิตหนีเรารู้จิตนี้เรารู้หายใจไปจิตหนีไปเรารู้จิตนี้เรารู้จิตก็ค่อยรวมลงมามาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจสมาธิชนิดนี้เอาไว้พักผ่อนนะทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นสมาธิชนิดที่สองโงปุเทศเรียกว่าสมาธนะิถ้าชื่อภาษาปริยัตินะจะชื่อลักขณูปนิชฌานเรียกยากลักขณูปนิชฌาน ตัวสมาธิที่เป็นความสงบนะหลวงพุทธเทเวิวชานชื่อภาษาปริยัติชื่ออารัมมณูปนิชานจิตมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสบายสบายมีความสุขอยู่สุขงโง่ๆอยู่ยนั่นเองสุขงโง่ๆไม่เดินตัญญาสมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นใช่ไหมสงบอันหนึ่งนะตั้งมั่นอีกอันนึงจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อ20กว่าปีก่อนนะสมัยหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะ เข้าไปวัดไหนวัดไหนนะจอหลวงปู่เทศสหลวงปู่เหรียนหรืออาจารย์มหาบัวหรือใครต่อใครก็ตามองคไหนก็ตามท่านพูดคำว่าจิตผู้รู้อยู่ด้วยไหมเข้าไปวัดนี้ก็ได้ยินคำว่าจิตผู้รู้เข้าวัดนี้ก็ได้ยินคำว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่เรียกว่าหนุกปู่เทศเรียกว่าสมาธิเป็นจิตที่มีลักคนูปนิชานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งอีกต่อไปแล้ว จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงปู่เทสเรียกจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูว่าใจนะส่วนจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลวงปู่เทสเรียกว่าจิตมีจิตกับใจคําสอนหลักๆของหลวงปู่เทสเนี่ยนะมีอยู่สอ ง, สอ ง, สองคู่จิตกับใจคู่หนึ่งนะฌานกับสมาธิคู่หนึ่งฌานก็สมาธิแบบมุ่งไปหาความสงบสมาธิเนี่ยสมาธิหมายถึงจิตตั้งมั่น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 ทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดเนียจิตจะหยุดคิดทันทีเลยเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนนะนี่เรามาฝึกอย่างนี้นะฝึกให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าคนไหนทําสมาธิเก่งๆมีวิธีฝึกให้มีจิตผู้รู้อีกแบบหนึ่งนะทําสมาธิไปจิตสงบไปทีแรกพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยพอจิตสงบไปลมหายใจก็หายไปพุทโธก็หายไปแลจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะถ้าฝึกมาด้วยการทําสมาธิจนได้ผู้รู้เนี่ย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 ดับอยู่ตลอดเวลานะวินาทีหนึ่งมันดับหลายสิบครั้งแต่มันดับเร็วดับแล้วก็สว่างดับแล้วก็สว่างนะเดี๋ยวไฟก็ขาดเป็นช่วงช่วงชวงมันจะรู้สึกว่าแสงสว่างเนี้ยต่อเนื่องจิตนี้เหมือนกันนะเราฝึกไปเป็นคณะคณะคณะไหลไปเรารู้ไหลแล้วรู้นะในส่วนมันจะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องขึ้นนะมาจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เหมือนกันอันนี้ฝึกแบบคนเข้าชานไม่เป็นเป็นทางเลือกเป็นทางเลือก นะถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะหลวงพ่อพก็จะแนะนำว่าหัดเข้าสมาธิให้ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดนะูถ้าอย่างนั้นดีที่สุดถ้าทำไม่ได้เราเป็นค า, ารวาสเราไม่มีเวลานั่งสมาธิมากๆนะนั่งวันหนึ่ง10บนาทีส5บนาทีอะไรเนี้ยเริ่มต้นนะแล้วค่อยๆฝึกแต่ว่าตัวสำคัญนะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดฝากตรงนี้ไว้นะตัวนี้สาคัญมากนะ พอจิตลงไปคิดเรารู้จิตลงไปคิดเรารู้ในที่สุดเราจะเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูครนะาว น, นี้แหละเราจะเดินปัญญาได้ละเพราะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันรู้สึกขึ้นมานะงานถัดจากนี้มาหัดแยกธาตุแยกขันธ์นะแยกกายแยกใจจนะามาตั้งมั่นรู้ตัวอยู่เฉยๆโง่ๆอยู่อย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกอาจารย์นะมหาบัวท่านสอนนะว่า ถ้าไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยอยามาคุยอวดเลยว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญปัญญาจริงหรอกะงั้นเราต้องมาหาแยกธาตุแยกขันธ์วิธีแยกทำยังไงตามทันไหมเนี่ยนานๆเจอทีหลวงพ่อเลยเทศแบบเทย่ามให้นะไม่มีกระเป๋าอะเลือกเทย่ามให้นะแล้วเขาอัดเทไว้เดี๋ยวค่อยไปขอเ้าฟังนะอืพอใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะอย่าอยู่สงบเฉยๆ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 พอสำเพอแม้นหาอากาศช่อช้างวิพัชชวิทีวิพัชชวิธีเนี่ยจะเป็นการหัดมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนะแยกตัวตนออกไปเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าไม่มีตัวตนคล้ายๆมันมีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆนะเรามาถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆนะลูกล้อถอดลูกล้อออกมาก่อนลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหม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 รถยนต์เป็นสิ่งที่เอาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาประกอบมารวมกันนะแล้วเราก็สรุปหมายรู้เอาว่านี่แหละคือรถยนต์วิพัฒนวิธีที่จะมาเรียนรู้เพื่อทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวกูของกูตัวเราเนี่ยนะก็คือมาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเรียกว่าหัดแยกธาตุแยกขันดูนะเบื้องต้นหัดแยกกายกับใจก่อนนะค่อยๆนั่งไปนั่งไปรู้สึกไปนะอย่าใจลอย ก็ไม่ใจลอยไปนะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วดูกายดูกายเห็นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่งดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะนั่งดูไปนานนานจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนกายนะจิตก็อยู่ส่วนจิตกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูพอเรานั่งไปนานนานมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็น <ะ S 2> อีกความปวดความเมื่อยแต่เดิมไม่มี ร่างกายเรานั่งอยู่สบายๆความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาทีหลังแปลปลอมเข้ามาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาอีกอันหนึ่งคนละอันกับร่างกายความปวดความเมื่อยเนภาษาพระเขาเรียกเวทนะนาเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขนะ์ทางร่างกายก็ได้ทางจิตใจก็ได้นะ ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข so, ์ <St aning> รู้สึกเฉยเฉยทางใจทางใจมีเฉยเฉด้วยตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวนี้ไม่ใช่จิตใจอย่างพอเรานั่งไปนานนมันปวดขึ้นมาค่อยดูไปทําใจสบายสบายดูไปความปวดก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ใช่จิตเพราะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านม่ค่อยหัดตัวนี้นะ พอมันปวดมากเข้ามากเข้าอย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะทนทนเอาก่อนมันปวดมากมากนะใจมันชักทุรนทุรายนะเช่นชักเป็นห่วงร่างกายแล้วนั่งนานปวดมากอย่างนี้อาจจะเป็นอมาาัมพาตได้เดี๋ยวเดินไม่ได้จะพิกลพิการใครจะเลี้ยงนะใจเริ่มฟุ้งละใจเริ่มปรุงแต่งวิตกกังวลอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยร่างกายมันความปวดมันอยู่ที่ร่างกายนะแหวกความทุรนทุรายมันอยู่ที่จิต เพราะฉนความปวดนะกับความกลุ้มอกกลุ้มใจเนี่ยคนละอันกันคนละขันกันไอ้ความกลุ้มอกกลุ้มใจเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าสังขารลขันคนละขันกันนะเนี่ยเรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเราจะเห็นในความทุรนทุรายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตด้วยไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่เวทนาคือความปวดความเมื่อยนั้นด้วยคนละอันกันนี่ค่อยๆหัดแยกนะค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันมาค่อยแยกไป จะทำงานจะกวาดบ้านจะถูพื้นนะจะซักผ้านะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนคอยดูร่างกายมันทำงานไปเรื่อยนะมันเจ็บมันปวดขึ้นมาก็คอยรู้เอานะมันสุขมันสบายก็คอยรู้เอามันดีใจมันเสียใจมันจะมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นคอยรู้เอาสุดท้ายเราจะแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปนะเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเรา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 จะเห็นเลยว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยนอนร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายมีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์กลางคืนนอนพลิกซ้ายพลิกขวาประมาณสี่สิบครั้งละคืนหนึ่งคืนหนึ่งมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์นะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราคิดว่าร่างกายเราไม่ทุกข์ควาจริงทุกตลอดเวลาเลย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 ดูซ้าแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกจะเห็นนะร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราอความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลนะกุศลทั้งหลายไม่ใช่เราตัวจิตก็ไม่ใช่เราฝึกไปแล้วมันจะเห็นเองนะเริ่มจะเห็นเองจะพบว่าไม่มีตัวเราในกายนี้ไม่มีตัวเราในจิตนี้ตัวเราเกิดจากความคิดต้องหลงอ่ะต้องหลงไปก่อนนะถึงจะไปคิดนะจิตหลงเมื่อไหร่ก็จิตจะไปคิด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 ในนี้มีใครไม่มีซีดีไม่เคยมีเลยมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิไปดาวน์โหลดเอาเ็ากันไม่ได้พวกมาแจก <c oughs> นะเขามีอยู่ตามเว็บไซต์นะเว็บไซต์ใครก๊อปปี้เป็นแล้วก็ก๊อบมาแจกแจกกันนะไปฟังฟังนะฟังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลห้าตั้งใจฝึกจิตทุกวันทุกวัน เบื้องตอนสัก1 0นาที15นาทีพุโทโธพุโทโธไปแนะต่มาหัดสังเกตจิตที่หลงผิคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูพมือจิตตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมาหัดแยกธาตุแยกขันธ์เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูอนะไรเงี้ยความเจ็บความปวดเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดู จิตวิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจมีจิตอีกดวงเป็นคนดูนี่ฝึกไปเรื่อยๆจะพบว่าตัวเราไม่มีถ้าวันใดเราเห็นว่าตัวเราไม่มีเราจะเป็นพระโสดาบันถ้าเห็นอย่างตรงแท้นะไม่ใช่เห็นฟุล่โผล่ ๆ, ๆนะอย่างมาหัศรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วดูลงไปไม่มีเราอย่าง น, นี้ยังไม่เป็นหรอกต้องดูแล้วดูอีกนะต้องอดทนจริงๆเลยเก่งวื้วื้วาวาไม่ได้กินออกธรรมะ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 รู้แจ้งเลยทีแรกมันแจ้งในร่างกายก่อนเห็นในร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนล้วนเยไม่ใช่ของดีของพิเศษแล้วอย่างพวกเราตอนนี้รู้สึกไหมร่างกายเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเออเพิ่งเนี้ยวางไม่เป็นหรอกไม่ไม่ปล่อยวางหรอกถ้าวันใดปัญญาแก่รอบจริงๆจะเห็นในร่างกายนี้ทุกข์ล้วนลวนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะถ้าเห็นถึงขนาดนี้นะมันจะวางวางกายนะวางกายมันจะถอยเข้ามา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 เหมือนที่เราเคยเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตนี่ก็เป็นทุกข์ล้วนๆขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะวางปล่อยวางจิตถ้าปล่อยได้ทั้งกายปล่อยทั้งได้ทั้งจิตก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกในโลกนี้โดยสมมุติโดยบัญญัติเขาเรียกว่าพระอรหันต์ความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายรกายก็ทุกข์นะไ ม, ไม่ไม่ไม่หายนี่เราค่อยฝึกนะพวกเรา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 ปัญญาเกิดมันก็วางพอปัญญาเกิดแล้วเห็นทุกข์มนะันมันจะไม่ถือไว้ทาไมทุกวันนี้เรายึดถือในรูปในนามในกายในใจเพราะเราคิดว่ามันจะนาความสุขมาให้ถ้าวันใดปัญญาเราแจ้งนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์นะมันไม่ถือเราเหรอมันก็โยนชิงไปนะมันทุกข์จะเอาไว้ทาอะไรทา น, นี้มันจะเหลือแต่ธรรมะตัวกายตัวใจของเราเนี่ยหลวงปู่เทศเรียกว่าโลก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 ไม่ยึดกายไม่ยึดใจไม่ยึดขันห้านั่นแหละตัวขันห้านั่นแหละเรียกว่าโรคถ้าสิ้นโรค ก, ก็สิ้นขันห่านะท่านวางขันห้าไปเข้าไปถึงทำทำนี้ไม่ตายนะทำนี้ไม่ตายทำนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำนี้มีความสุขล้วนๆอยู่อย่างนั้นทำนี้ว่างนะแต่ไม่ใช่ว่างอนาถาว่างมีความสุข ท่านจึงบอกสิ้นโลกเหลือธรรมไม่ใช่สิ้นโลกล้วก็สิ้นไปเลยสิ้นธรรมไปด้วยไม่ใช่นี่พวกเราใครฝึกนะไม่มีใครสอนได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนี่หรอกธรรมะที่ท่านสอนนี่เป็นธรรมะที่จะช่วยให้เราถอนความทุกข์ออกจากใจตนเองได้นะนนเรื่องอะไรเกิดมาทั้งชาติหนึ่งจะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆทางออกจากทุกข์ก็มีอยู่ไม่รู้จักเดินก็โง่แล้วล่ะ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 ถ้าเห็นทุกแจ่มแจ้งก็จะวางละ่ะไม่ยึดในรูปในนามในท่านในขันเนี่ยทางเดินนะมี่พระริยาเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาครูบาอาจารย์สอนสืบทอดกันมาอย่างนี้นะวัดนี้ก็วัดหลวงปู่เลี้ยนหลวงพ่อก็ลูกสึบหลวงปู่เลี้ยนไปหาท่านทีแรกตอนแรกๆเจอท่านนะท่านก็สอนพุทโธพิจารนากายนะไปเจอท่านต่อมาท่านสอนเรื่องจิตนะเข้ามาที่จิตนะ ตอนนนเดียวกันนะครูบาอาจารย์เหมือนกันหมดนะเพะงั้นพวกเราก็ฝึกเอาใครทมใครได้นะใครไม่ทำก็ทุกต่อไปทนนเท่านั้นเองอ้าวเท่านี้ก็พอละเทศนมากกว่านี้ก็กลุมใจแนละ้ควรอยากกลับบ้านลนะขออากาศมีโยมขออกาศส่งกันบ้านสิบห้าคนครับอยู่ไหนลนะ่ะมัส ก, การครับหลวงพอ่อมานั่งนี่ได้ไหม หลวงพ่อถ้าหันข้างเดียวนั้นแล้วมันจะไม่หันกลับแล้วถ้าให้หันสิบห้าคนอยู่โต๊ะนั้นเร า, เราหันคืนไม่ได้แล้ว mm hmm. เออนั่งเรียนธรรมะหนะ้านั่งอย่างเนี้ยดูหน้ากันเห็นหน่าว่าไปมรดการครับหลวงพ่อเมื่อกี้ที่ฟังหลวงพ่อเทศก็เห็นใจมันบังคับบังคับมัน มันอยากนน่อนอยากนี่ครับแล้วก็หนีไปคิดอืแล้วก็ตอนที่บังคับมากๆก็อขึ้นมาแต่ว่ามันก็ลดลดลงบ้างแล้วก็ขึ้นเพิ่มขึ้นบ้างครับหลวงพ่อของกันบ้านเพิ่มขึ้นครับรู้ว่าบังคับก็ดีแล้วนะจะสั่งให้เลิกบังคับก็สั่งไม่ได้ให้รู้ทันมันไปเรื่ยดูซีใจเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นไหมแล้วเห็นแม่ใจเปลี่ยนตลอด เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะตรงที่บังคับไม่ได้เนี่ยแสดงอนัตตาให้ดูรู้มันแตกแล้วถ้าอยากบังคับขึ้นมารู้ว่าอยากนะอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบรู้ว่าอยากอีกนะรู้อย่างที่พระเป็นอยา่าไปประคองให้นิ่งนะเวลาทําสมถะพวกเราต้องระวังนี้นะสมถะไม่ใช่การบังคับจิตให้นิ่งๆอย่างนั้นสมาธิอย่างนั้นเคร่เครียดไม่ใช่สมาธิแท้ๆหรอกสมาธิไม่จริงสติ มีสติหายใจไปด้วยความมีสติจิตสงบอยู่กับลมหายใจนะเมอกี้โลกธาตุดับไปลมหายใจก็หายไปนะจิตสว่างไม่ขาดสติเลยแล้วก็ไม่ได้บังคับไปดัะนั้นหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆ บ, บังคับอยู่รู้ว่าบังคับอยู่ค่อยๆผ่อนคลายไปตื่นเต้นไปเออตื่นเต้นดูไปเล่นๆตื่นเต้นใครจะห้ามได้ ทำไม่ได้เนาะเดี๋จิตขนาดนี้กะตะกี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เที่ยงลนะดูอย่างนั้นแหละก็จิตต้องถึงฐานนะจิตต้องตั้งมั่นจริงจรนะจิตตอนนี้กระจายออกนอกดูออกเปล่า ย, ยังไม่ออกครับเห็นเหตุไหมจิตมันเหมือนอยู่ห่างๆไปโล่งๆว่างๆอยู่ข้างนอกงั้นไม่ได้นะอนับปฏิบัตินะพลาดตรงนี้เยอะเลยไปดูดูยิ่งพวกดูจิตนะั้นระวังให้ดีนะอย่าไปหลงอยู่ในความว่าง ไปดูจิตแล้วไปติดว่างเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยถ้าพระพุทธเจ้าพระสีอานมาตรัสนะท่านมานึกถึงแนละ้วท่านอุทานในชิบหายแล้วนะนะอุทานอย่างนี้นะม่นหมายถึงว่าโอ้มันไปอยู่เป็นอรูปภพลมนนไม่มีหูไม่มีตานะไม่ได้ฟังธรรมงั้นเราภาวนาอย่าให้จิตไปติดอยู่ในว่างๆนะขยามรู้เนื้อรู้ตัวดูกายดูใจดูทาด่าดูขันมันทํางานเรื่อยไปแต่ว่าพอดูไปพอใจฟุ้งซ่านทําความสงบมาพักผ่อนนะ สงบพอสมควรแล้วอย่าอยู่นานออกมาดูกายดูใจทํางานอีกนะฝึกสลับไปอย่างนี้ด้วยกับนิมมสการหลวงพ่อครับไม่ได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อสองปีไม่กี่เลยภานะวานาก็ดูดีไม่ใช่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็ดูขันห้ามันทํางานไปครับแล้วก็แต่ไม่รู้ว่ามันยังอยู่ในรู่นในทางห <c oughs> รือเปล่าครับหลพ่ออยู่นะแต่มันอยู่ไม่พอครับสมาธิไม่พอ คาะวาสเนี่ยมีจุดอ่อนนะสมาธิน้อยสมาธิน้อยไปจิตไม่ค่อยตั้งมั่นจิตชอบกระจายลงล ง, ลงว่างๆออกไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันๆหนึ่งเรามีเรื่องฟุง้งซ่านเยอะมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยมากมันเครียดมากนะเราภาวนาสบายแล้วมันไปนติดอยู่ที่สบายลงลงว่างๆสบายเฟื่นเฟืนไปวิธีแก้ก็คือรู้ทันว่ามันไปติดอยู่ข้างนอกลงลงว่างๆดูออกปะ่ะเือดูออกครับอ มันไม่เข้าฐานครับจิตต้องถึงฐานนะถึงจะเดินปัญญาได้จริงๆอย่างเราเห็นท่าเห็นขันทํางานแต่จิตเราอยู่ข้างนอกไม่พอแรงไม่พอไม่ปัดออกก็เราก็ใช้วิธีนี้ดูไปเรื่อยๆรู้ทันมันนะรู้ทันนะเจนมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าพุทโธไปเลยก็ได้พุทโธแล้วรู้ทันจิตบ้างนะจิตไหลแล้วรู้ไหลเรารู้เนี่ยมันจะทวนเข้ามาเองอย่าดึงมันจะเข้ามาเอง เรเข้ามาถึงฐานนั่นเป็นคนดูเห็นธาตุขันทํางานจิตถึงฐานจริงๆเลยอยู่กลางๆครับถ้าผมใช้วิธีว่าดูสบายๆดูร่างกายสบายใจสบายแล้วก็พอมันคิดเนี่ยแล้วเราก็ไปดูมันดูมันเยียนได้ไหมครับดูกายก็ได้นะแต่ว่าดูกายแล้วระวังอันหนึ่งจิตไหลไปที่กายครับถ้าดูกายแล้วจิตไหลไปที่กายเนี่ยคือจิตไม่ตั้งมั่นถ้าดูกายเหมือนเรานั่งอยู่นี่เห็นกายเราอยู่นี่จิตไม่ไหลเข้าไปในกายใช้ได้นะ วันจะดูกายก็ได้จะดูลมหายใจอะไรเงั้แต่ถ้าจิตไหลไปอยู่กับลมเนี่ยจิตออกนอกแล้วจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงจุดจุดนี้แหละที่ธ ร, รวาสจะพลาดตัวนี้เยอะเลยนะจิตไม่ถึงฐานะไม่มีแรงฟอจะกระจายเพลินๆไปแล้วจะมีแต่ความสุขนะนาแล้วสบายโอฬาราทั้งวันเลยนะ <laughs> ใช้เปล่าครับผมครับ อ, อีกนิดนึงฮะ ถ้าก็บลักษณะของการเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีระยะห่างระหว่างอาขันที่มัน <Ừ. S 1> เกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับครับใช่แต่ว่าไม่ประคองให้ห่างนะแั่มันห่างเองแต่ถ้าเราจงใจดึงให้ห่างเนี้ยจะตึงไปตึงเครียดไปมันแยกเองอ่ะครับตอนนี้มันก็ตึงๆอยู่แล้วครั บ, รบขอบคุณที่ฝึก อ, อยู่ดีใช่ได้เนี่ยไม่เหมือนตะกี้แล้วเห็นไหมเออฝึกแต ครับกลับนมัตสการหลวงพ่อครับกระผมนายอนุ์หันนลในนามของชมลมปฏิบัติธรรมวัดประชาสังติข้ากลับเรียนถามว่าการหลงอาการของจิตเป็นเช่นไรกขอครับโอ้มันลืมจิตเสียมันไปดูแต่อาการอย่างนั่งภาวนานะเกิดนิมิตแสงสีอะไรขึ้นมานะจิตไหลไปดูนิมิตเนี่ลืมดูจิตตัวเองแล้วหลงยินดีหลงยินร้ายอะไรงั้นวิธีที่จะไม่ให้หลงอาการเนี่ย เวลาที่จิตไปรู้สภาวะอะไรแล้วเนี่ยนะถ้าจิตยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตดนร้ายขึ้นมาให้รู้ทันมันจะไม่เป็นหลงอยู่ที่อาการมันจะกลับมาที่ตัวจิตเหมือนเราดูหนังดูหนังกลางแปลงที่นี่มีบ้างไหมหนังกลางแปลงยังมีไหมแถวนี้ตอนหลงพ่อเด็กๆในกรุงเทพยังมีเดีย๋ยวนี้ไม่มีมีแต่หนังเก็บสตังหนังกลางแปลงแนละ้วจอมันอยู่โน่นใช่ไหมจอจะอยู่ทางนี้เครื่องฉายมันอยู่ทางนี้อะไรเงี้ยเวลาเราดูนะเราชอบไปดูในจอ ดูที่จอเนี่ยแหละหลงอาการของจิตแหละนะถ้าทวนเข้ามาถึงไอ้เครื่องฉายนะเนี่ยถึงจะถึงจิตจริงๆนะจิตหลงไปคิดไหมหลงไปคิดก็หลงอาการนั่นแหละเออนั่นแหละหลงอาการแนะ่ะให้รู้ทันว่าจิตหลงไปเลยนะแล้วก็พอไปรู้อาการของจิตแล้วยินดีขึ้นมารู้ทันยินได้ขึ้นมารู้ทันจะทวนเขา้าหาจิตสนะุดท้ายมันจะกลับเข้ามาที่จิต งั้นรู้สภาวะใดๆก็ได้นะแต่รู้แล้วยินดีขึ้นมาให้รู้ทันรู้แล้วยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจนะนไม่หลงอาการเราจะทวนเข้ามาหาจิตนรสมาสการครับหลวงพ่ อ, อ, อผมเคยไปหาหลวงพ่อเมื่อหปีที่แล้วที่เมืองการจนวันนี้จะเอาผลการปฏิบัติมาถวายให้หลวงพ่อห้าปีที่ผ่านมาจากการปฏิบัติผมรู้สึกว่า ศรัทธาดีขึ้นแล้วก็วิริยะก็มีมีมีมากขึ้นเรื่อยๆส่วนสติก็คิดว่าดีขึ้นนะฮะแต่ว่าสมาธิกับตัวปัญญาแท้ๆผมผมคิดว่ายังไม่เจอสมาธิก็ดีขึ้นนะสังเกตไหมขันมันเริ่มแยกตัวผมดูออกมา<ถ>ตอนนี้ถ้าถ้าผมดูผมจะเห็นในความคิดเลยครับก็คือความคิดไม่ใช่จิตถูกไหมนี่เป็นหลงอยู่ในความคิดนะ เห็นร่างกายพยักหน้าไหมเห็นไหมตัวที่พยักหน้าอยู่เนี่ยไม่ใช่เราครับเนี่ยหัดแยกไปได้เห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความคิดสิ่งที่ปรุงขึ้นมาจะเป็นกุศลเป็นอกุศลที่อยู่อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตนะม่ค่อยๆเรียนไปได้บางคนบอกดูจิตดูจิตนะแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งอันนั้นไม่เดินปัญญาจริงอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูล น, นะ หลวงปู่ม่านสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตเนี่ยท่านสอนบอกสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นไหมดูจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆ ต, ตัวจิตตรงๆไม่มีอะไรให้ดูงั้นก็อย่าไปจ้องใส่ตัวจิตนะมันจะว่างไม่มีอะไรให้เห็นเลยครับผมผมหลังๆผมรู้สึกผมจะใช้จิตหาจิตไมไอยู่เหมือนกันเออจิตหาจิตยังไงก็ไม่เจอ มันจะว่ า, อา พ, อ, พอผมคิดถึงการปฏิบัติทีไรก็ก็เหมือนตั้งท่าควานเข้าไปดูทุกทีพอคิดถึงการปฏิบัติแล้วมันตั้งท่าขึ้นมาให้ดูเข้าไปเลยใจมันโลภนะใจมันอยากดูให้รู้ทันความโลภที่เกิดขึ้นนี่เลนการที่ไล่ไปดูนี่เป็นแค่อาการของจิตต้นตอมันคือใจมันโลภขึ้นมาใช่ใช่ครับผมนะดูเข้ามาให้ถึงจิตจริงๆหลวงพุทศเกรสอนหลวงพ่อนะ บอกภาวนานะถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติท่านว่าอย่างนี้นะถ้าเราหลงไกลออกไปไม่ได้สาระสตีแต่ถ้าไปอย่างนี้พอไปได้ไหมครับพอได้ที่ทําอยู่ก็ดีขึ้นเลยครับครับรู้สึกเปล่าว่าความทุกข์มันหางออกไปเห็นครับผมรู้สึกแม้ศีลมันไม่ต้องรักษามากมันก็มีเองเพราะเรามีสตินะครับผมพอมีสตินะศีลมันมา <ม>สติก็กมีสมาธิเมื่อห้าปีที่แล้วเรื่องยุงนี่จะตกง่ายแต่เดี๋ยวนี้ตอบอยุงสักตัวยังอืมยังไม่ค่อยอยากจะตอบมอนทําไม่ได้มันมีหีริโอตาปะอย่างพอใจเราเกิดกิเลสมันอายนะมันทำไม่ได้ครับแต่ผมคือก็ตกลับเรียนหลวงพ่อจริงๆถ้าในชีวิตกังวลเกี่ยวกับเรื่องภูมิทําของตัวเองยังไม่พอที่จะไปสอนคุณพ่อคุณแม่แค่นั้นเองพ่อแม่ไม่ได้เอาไว้สอนบอก เราเราเราทําตัวให้เห็นพ่อแม่เห็นว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นะแล้วก็แกล้งเปิดซีดีหลวงพ่อให้ได้ยินไปเรื่อยๆนะหลายคนเขาใช้วิธีมันเข้าใจยากมันยากเพราะไม่เคยฟังฟังไปเรื่อยๆเอ้าเอานี่มักขนายกเนี่ยอย่าให้มันเคลิบไปอย่าให้ใจลอยไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ นมัสการหลวงพ่อนะครับอผมก็ชื่อนายพลวัติริลัญจาหลวงนะครับพอดีที่ผมได้มาสนใจท้นานนี้ก็เนื่องจากคุณแม่นะครับน่าจะใช้วิธีของหลวงพ่อก็เปิดซีดีทุกวันทุก ว, วันจนผมก็เข้ามาสนใจนะฮะคือผมไม่เคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกได้พบหลวงพ่อก็อยากจะมาขอกันมากนะครับหลวงพ่อที่ฝึกก็ใช้ได้นะฝึกไปได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นมากๆครับวนะ่าผมมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตครับ ธรรมะนะ่านำความสุขมาให้เรานำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตเราเองทีนี้ที่ผมปฏิบัติอยู่คือผมไม่มีครูบาอาจารย์มาก่อน<ม>ก็เลยแต่ฟังซีดีนะครับแล้วก็<ม>ส่วนใหญ่ที่จะมาถามทําหลวงพ่อก็จะเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ก็วัยกลางคนนั่นเลยมผมก็จะมาขอวิธีการาเก็บให้มันเข้ากับ อ, อ, อาจจะถามเพื่อนๆที่เป็นวัยวัยรุ่น<ม>เป็นวัยที่1 8บ9ย่างเข้า<ม>วัยผู้ใหญ่ครับ<ม>แล้วที่ส่วนตัวปฏิบัติอยู่ก็จะปฏิบัต มักแปดครับมักแปดนี้ก็จะรักษาให้พยายามทําให้ดีที่สุดเลยแล้วก็ทางสายกลางครับหลวงพ่อจะมักแปดจะทางสายกลางแล้วมีสติไว้นะมีสติไว้ขาดสติตัวเดียวขาดหมดเลยธรรมะสาหรับใบรุ่นไม่ใช่ยากอะไรหรอกหลวงพ่อนถนัดสอนใบรุ่นนะคนหนุ่มคนสาวน่ะเรียนกับหลวงพ่อเยอะมากในเดี๋ยวนี้คือหัดเริ่มต้นนะหัดรู้ทันใจตัวเองไหมหัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆ กิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไเกิดขึ้นรู้ทันนะพอรู้ทันมากเข้ามากเข้าเนี่ยจิตมันค่อยมีแรงขึ้นมาะจิตมันห่างจากกิเลสออกมาค่อยมีความสุขมากขึ้นสังเกตไหมพอหัดดูไปได้มันมีความสุขพอ ม, มีความสุขศรัทธามันค่อยมีขึ้นมาใช่ไหมพอมีศรัทธาวิริยะก็เกิดนี่จุดตั้งต้นของหลวงพ่อนะที่สอนความจริงธรรมะที่สอนเนี่ยของครูบาอาจารย์สอนต่อกันมาหลวงพ่อแค่มาปรับนิดนึง เอาปรับวิธีนิดเดียวเท่านั้นแทนที่เราจะเริ่มจากศรัทธาทุกคนศรัทธาแล้วนั่งไปนานๆมีวิริยะเนี่ยมันไม่ศรัทธาจริงนะเราพวกเราคนรุ่นใหม่เนี่ยพวกปัญญากล่านะแต่สติอ่อนนะปัญญายุหรือเกินนะนะคิดมากนะนะเรามาหัดดูใจของตัวเองเราจะเห็นเลยเดี๋ยวกิกเลสก็เกิดเดี๋ยวกิกเลสก็เกิดกิเลสเกิดที่ไรทุกๆ ท, กทีเลยนะนะพอหัดรู้หัดดูเข้าพอรู้ทันมากเข้ามากเข้านะ ใจค่อยเป็นอิสระขึ้นใช่ไหมเราก็รู้สึกเออความทุกข์มันแทบจะตกหายไปแล้วรู้สึกไหมความทุกข์มันห่างออกไปรู้สึกไหมความทุกข์ไม่นานอยู่ไม่นานนะความทุกข์ไม่หนักเท่าเก่าเนะี่ยพอเราเห็นอย่างนี้นะเราจะเริ่มเริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วนะเห็นไหม้ราเราเห็นผลชนิดนิ ด, นดหน่อยหน่ยก่อนนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนอย่างบางคนไม่เคยมีศีลเลยนะพอมามีสติรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆนะ มีศีลขึ้นมาไม่เคยสงบเลยมีจิตมีสติรู้ทันจิตตัวเองขึ้นมาสงบขึ้นมาไม่เคยเห็นกายเห็นใจของตัวเองทํางานเนียมหัดรู้หัดดูเห็นเลยกิเลสเกิดทั้งวันจิตแอบชิดทั้งวันเห็นไ้มตัเนี้พอรู้ทันแล้วนะค่อยฉลาดขึ้นมามีปัญญานะใจค่อยค่อยโป่งขึ้นโป่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นพอเรามีความสุขมากขึ้นเราจะเริ่มรักพระพุทธเจ้าแล้วเอ๊คาสอนของท่านดีจริงๆนะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ ขนาดเราภาวนานิดๆหน่อยๆเราอย่าพ้นทุกข์ได้ตั้งเยอะเลยรู้สึกเ่าครับครับดังๆสีให้คนแก่ได้ยินเอครับเออต้องอย่างนั้นนะเรียนธรรมะต้องเข้มแข็งไว้อ่าเราจะอาจจะถามแทนมือใหม่สําหรับมือใหม่เนียนะครับอืตอนที่หลวงพ่อเริ่มเกินพอพ้นเรื่องศีลแล้วก็จะเข้าเรื่องสมาธิใช่ไหมฮะหลวงพ่อกล่าวคําว่ายานกับคําว่าสมาธิทีนี้ไม่ใช่ยานชานชานใช่อืมทีนี้ผมอยากทราบว่า ตอนแรกมันต้องเป็นช้านก่อนไม่ จ, จะกล็นเป็นสมาธินะฮะไม่จำเป็นนะคือเส้นทางเดินเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะมี3มเส้นทางอันที่หนึ่งะใช้สมาธินําปัญญานะใช้สมาธินําปัญญาคนทําสมาธิได้นะทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมาเดินปัญญามาพิจารณากายนะทำสมาธิแล้วมาดูกายนะอย่าไปดูจิตก็ทําทสมาธิแล้วไปดูจิตจะไม่มีอะไรให้ดูเลยว่างๆไปเฉยๆ เมือนที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านสอนมานะท่านทำสมาธิแล้วมาดูไก่นี่ถูกเป๊ะเลยอันที่สองเนี่ยใช้ใช้ปัญญานำสมาธิเหมือนอย่างที่ที่คุณฝึกอยู่าเงี้ยเราดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองจิตสงบกว่าแต่ก่อนดูออกไหมสมาธิมันก็เกิดนะสมาธิค่อยสะสมไปเรื่อยสุดท้ายมันก็มีทั้งสมาธิและปัญญาเส้นทางที่สามเนี่ยใช้สมาธิและปัญญาควบกัน แต่เส้นทางที่สามนี้ทํายากต้องชำนาญในสมาธิด้วยชํานาญในการดูจิตตัวเองด้วยนแล้วผมนี้ใช้ิริโ อ, อัดใช่วิหารธรรมครับใช้การเจริญลมหายใจครับได้ดีเหมาะใช่ไหมฮะดีเหมาะแล้วจิตผมนี่ติดคนตัวอยู่นี่ทำยังไงดีครับเราไม่ใช่พระอนาคาคาติดก่อนไม่เป็นไรนครับอย่าให้ผิดศีลโอสงฆ์คนไม่สวยเลยไม่มีคนติด นวัตาการหลวงพ่อนะคะธรรมดาฉันดิฉันนั่งสมาธิตอนหัวค่าได้จะถามจะถามว่าต้นหัวรุง่งลุกขึ้นนั่งไม่ได้โดยไม่ได้ลั่งหนะ้าได้ไหมคะได้สมาธิไม่เกี่ยวกับหน้าสมาธิมันทาที่ใจหลวพ่อบอกให้หลวพ่อฝึกนะสมัยฝึกอยู่เนี่ย ก่อนนอนเนี่กินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะๆไปเดี๋ยวก็ปวดฉี่ใช่ไหมปวดฉี่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาไปห้องน้ําไปเลยนะแล้วมาภาวนาหน้ายัางไม่ได้ล้างเลยเห็นไหม <c oughs> เออภาวนาไปดูไปถ้าใจยังมืดมื ด, ม, ดมัวมัวแล้วไม่นอนต่อฝึกตัวเองอย่างนี้เลยนะฝึกตั้งแต่เป็นโยมฝึกแบบเนี้จะถ้าต่อมานะพอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บนล้วจิตสว่างจ้าเลยเพราะมันกลัวเราไม่นอน ไม่กลัวเราจะพาวนามากๆก <c oughs> ิเลสมันฉลาดนั่น <c oughs> พาให้เราสว่างเลยเลยอี ก, อกอยังอีกมีเรื่องหนึ่งดิฉันมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งทําแต่บุญทําร่วมกันทุกอย่าง <c oughs> ทําแต่บุญแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องทําแต่บุญตักบาตรทุกวันทุกเช้าอ <c oughs> แล้วก็ความเทศความธรรมมีธรรมะมีวิทยุฟังอยู่ แต่ตนนี่เป็นโรคเบาหวาน<ม>แล้วก็เป็นโรคเบาหวานอยู่หมอก็รักษาอยู่แต่ลูกชายก็ดีใส่ใส่บาตรทุกวัน<ม>แล้ววันนั้นลูกชายบอกว่าแม่แม่ห่วงนอนเร่งแล้วให้แม่นอนไปกกรธเถิดอย่าหุงข้าวเลยลูกจะหอหุงอาหารใส่บาตเองอื แล้วลูกก็ให้ให้ให้นอนธรรมดาพอสว่างลูกก็ไปทําหานแต่ว่าเมื่อนั่นแม่ก็ก็ชกไปแล้วยังไม่ได้รู้เรื่อง อ, อยู่ก็ตอนบ่ายตอนสี่ย่าโมงแล้วมีชาวบ้านเขามาดูบอกว่ามเมื่อนั่นบาดแผลเฉยผ้าหมดแล้วก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลกันก็ไปเข้าห้อง i อซีย อ, อยู่ๆแล้วตอนนี้ เขาก็พูดก็ไม่ได้ตีนขาก็ยกไม่เคยจะขึ้นอพูดไม่เคยได้ก็ลืนตานหน่อยๆเกือบจะได้เดือนนะคะสิบกว่าวันแล้วยังรู้สึกตัวไหมฟังอะไร ร, รู้เรื่องไหมควังรู้เรื่องคะ่ะพอพูดเรื่องนี้นี่ก็รู้เรื่องแล้วก็เบิดเปิดธรรมะอม้กครั้งนึ่งวันทําอย่างนั้นแหละเมื่อเมื่มมอก่อนเขากับสามีเขาก็ รักษามอมมาาตั้งสองสามปีแต่เขาก็ทำแต่บุญอยากรู้ว่าเหตุอะไรจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอ้มันควละเรื่องกันนะใส่บาตกับอมมาผ่าต <c oughs> <c oughs> เราเราไม่รู้หรอกเรื่องว่าทำกรรมอะไรมา <c oughs> <น>อันนี้มันเป็นพุทธวิสัย <c oughs> ต้องถามพระพุทธเจ้าถึงจะตอบได้ <c oughs> จากนั้นเขาทำแต่บุญอยู่เสมอใช่ไดีกว่าทำบาป นะให้เขาทำไปนะแล้วนะดีแล้วแล้วก็บอกเขาท่องพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปนอนกุ้มใจท่องพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าจะตายก็ตายอยู่กับพุทธโธถามานไหนคะสวัสดีขอบคุณคะ่ะโถครูบาอาจารย์เป็นอมพาธอย่างมีเลยหลวงปู่ชอบเนาะให้ก็ลุกไม่ได้นะหลวงปู่สุวัตนี่ก็ เ, เป็นอมพาธ ลดความอันนี้เป็นกรรมเนาะกรรมคนละส่วนกับเรื่องการฝึกจิตกรนในมัสกการหลวงพ่อค่ะหนูไม่ได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อมาเกือบสามปีแล้วค่ะจำได้อยู่อยขอบพระคุณค่ะหนูอยากจะทราบว่าตอนนี้หนูยังอยู่ในลู่ในทางอยู่ไหมคะหลวงพ่ออยู่ฝึกไปแต่ต้องใช้จิตตั้งมั่นนะฝึกไป สังเกตเปล่าขันก็ส่วนขันจิตก็ส่วนจิตดูออกไหมตรงนี้นยังไม่ค่อยออกค่ะนะไปหัดดูเรื่อยๆเห็นร่างกายอ้าปากเห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูสบายๆน ะ, นะอย่าลืมคำว่าสบายนะถ้าดูแบบเครื่องเครียดทาผิดเลย ค, ค่ะขอบคุณค่ะการนับนมัสการหลวงพ่อนะครับคือก่อนหน้านี้ประมาณสามปีครับลูกเคยไปกับนมัสการหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ถามว่า ต้องการที่จะทำสมถะหรือว่าวิปัสนาตอนนั้นคือยังไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองกําลังทำวิปัสนาอยู่แล้วก็หลังๆก็เลยเริ่มรู้แล้วก็ตอนนั้นตอนแรกๆ ก, ก็คือยังสนใจที่อยากทำสมถะอยู่ครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากอยู่แล้วก็ขอเปลี่ยนมาเป็นทำวิปัสนาละกันสมถะเราไม่จริงหรอกนะรเราภาวนาเนี่ยจะเดินวิปนะัสนา ต้องมีกำลังของสมาธิหนุนหลังเสมอแหละนะแต่สมาธอันนี้ยทำอย่างเดียวได้ไม่ทำวิปัสสนาได้สงบแล้วไม่เดินปัญญาเี่ยมีเดินปัญญาโดยไม่มีความสงบหนุนหลังไม่มีหรอกตอนนี้ก็คิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะแต่ว่ารูปเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกียจครับทำในรูปแบบค่อนข้างน้อยอครับแล้วก็จริงๆคือ วันนี้ที่จะมาถามหลวงพ่อก็หลวงพ่อได้ตอบไปแล้วเรื่องของการแยกแยกทาตแยกขันนะครับก็งั้นเปลี่ยนเป็นถามว่าไม่ทราบว่าลูกเองอยู่ในทางหรือเปล่าครับถือศีลห้าได้ไหมได้ครับเออได้ก็อยู่ในทางหน่อยแนละ้วครับจิตไหลไปเรารู้ไหมรู้ครับออก็ได้สมาธิบางทีก็บางทีก็หลงนานเหมือนกั น, นครับอย่าให้นานทีละกันครับนะให้ฝึกไปเรื่อยจิตถึงฐานไหมดูออกหรือเปล่าตอน ถึงบ้างไม่ถึงบ้างครับขณะนี้ถึงไหมขณะนี้ถึงครับประคองนิดหน่อยครับเออไปถึงจริงเหรอประคองอยู่ประคองอยู่ถ้าจิตมันอยู่ในฐานจริงมันไม่ได้ประคองนะมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแตอนนี้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเต้นครับหนักหนักเห็นไหมคตอนแรกไม่ค่อยตื่นเต้นนี้เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆครับดีแล้วเราไปฝึกนะยังหนุ่มๆอยู่อย่าขี้เกียจ ครัขี้เกียจไหมแม่งโง่เฮงงหายอ่ะอย่าขี้เกียจสิครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับหลวงพ่อคือเมื่อกี้เริ่มรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีสมาธิค่อนข้างลึกๆเนี่ยสามารถที่จะคือเหมือนกับว่ารู้ละเอียดแบบยิบยิบๆิบยิบยิบแล้วก็เหมือนกับว่าฟังสิ่งที่เข้าหูครับเหมือนมันไม่แปลเหมือนมันไม่แปลได้ยินตรงนั้นมันไม่มีสมมติครับมันมีแต่เสียงนะ มีแต่เสียงกระทบหูแต่ว่าสัญญามันไม่เข้าไปแปรสติรเราเร็วนะครั บ, รบก็คือต้องทําอย่างนี้บ่อยๆใช่ไหมครับเป็นเองก็ช่างมันไม่เป็นก็ช่างมันอ๋อนะเพราะว่าเราไปห้ามสัญญาก็ไม่ได้ครับแล้วถ้าสติเราเร็วนะเราจะเห็นในจิตมันปรุงในจิตมันปรุงมันไหวๆขึ้นมาใช่ไยไหวแต่ไม่มีภาษาไม่รู้ว่ามันปรุงอะไรไม่รู้ว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์อะไรไม่รู้หรอก ก็แค่เห็นว่าสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นหายไปแค่นั้นก็พอแล้วสิ่งที่สิ่งที่ควรก็คือแค่รู้เท่านี้ใช่ไหมต้องขยันด้วยครับคุณครับพี่เกียรตไปขอบคุณครับกลาบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟังเนื้เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้าง ก็รู้สึกว่าเผลอบ่อยตอนช่วงขับรถนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงที่ทำงานก็รู้สึกว่าจะจมอยู่ในความคิดไปทั้งวันเวลาทำงานมันไม่รู้สึกตัวหรอกนะเพราะเราทำงานที่ใช้ความคิดนะแต่ว่าเวลาทำงานไปแล้วขี้เกียจขึ้นมารู้ทันทำงานไปแล้วอยากทำให้เสร็จเร็วๆโทรศัพท์มาบ่อยๆโมโหรู้ทันนะเวลาทำงานจะเดินไปห้องน้ำเห็นไหมรู้สึกกายรู้สึกใจไป เราไม่ได้ทำตลอดเวลาจริงหรอกมันมีช่วงเวลาเล็กๆนาทีสองนาทีเก็บให้หมดเลยนะมีสติให้มากๆหลวงพ่อก็ฝึกมาแบบนั้นะเราฝึกตอนเป็นฆรวาสเนะ่ยฆรวาสวันๆหนึ่งงานเยอะเรามีหน้าที่ทำงานเราก็ทำไปแต่พอทำงานไปแล้วพอกิเลสอะไรแทรกเข้ามานะรู้ทันเัมืนนไม่ทราบว่าที่ตัวเองปฏิบัติมานี่ถูกทางหรื อ, อยังคะ ถ้าฝึกนะให้จิตตั้งมั่นมีเรื่องมีแ ร, รงนะแล้วก็กราบขอกันบ้านหลวงพ่อด้วยนี่ไงให้แล้วฝึกให้จิตถึงฐานจริงๆเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกัตัวนะไอ้จิตปรับรื้อรู้ว่าจิตหลับรื้อไม่ไม่ไหลออกไปแต่ไม่กดเอาไว้นะกราบมรรการอ า, ารจารย์ค่ะเ อ, ออยากทราบว่าขณะที่ปฏิบัตินั่งสมาธิอะค่ะนั่งไปสักระยะหนึ่งจะรู้สึกว่ามั น, มนว่างไปเลยอะค่ะอาจารย์ มันหมายความว่าเราจิตอยู่ในไม่เราอย่าให้ขาดสตินะว่างก็ได้แต่ยังไม่ให้ลืมตัวพอมันว่างไปแล้วเนี่ยก็ช่างมันว่างพอสมควรมันถอยออกมานะมีสติรู้ทันจิตต่อไปเลยแล้วเรานั่งต่อลงไปไ ด, ดึงขณะที่นั้นเรารู้ว่าเราจิตาบางครั้งว่างว่างเสร็จแล้วเราดึงกลับมาแต่แล้วเราก็าบาคิดต่อไป อ, อ, อย่าไปดึงมันมันว่างรู้ว่าว่างค่นะ แล้วว่างไม่นานมันก็คิดเพราะจิตว่างก็รู้จิตคิดก็รู้เห็นไหมว่างก็ไม่ใช่ว่าสั่งได้จะคิดก็ไม่ใช่ว่าห้ามได้ดูเพื่อให้มีปัญญาเห็นว่าจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ดูเพื่อจะไปบังคับมันนะพระการค่ะหลวงพ่อลูกปฏิบัติมันจะทุกคืนแต่ว่าเวลาบางบางคืนก็นั่งมันมันสงบดีแต่บางคืนก็ มันไม่สงบแล้วพักตาสงบแล้วก็จะหลับไปซะเลยค่ะแล้วอยากรู้ว่าไอ้คำว่าแทรกแลงแล้วเรียกสรบปแล้วคำว่าแทรกแซงนี่เป็นยังไงจิตแทกแสงเนี่ยค่ะแทกแสงหมายถึงว่ามีความสุขก็อยากให้อยู่นานๆมีความทุกข์ก็อยากให้หายเร็วๆบางครั้งเพราะว่าจิตสงบก็อยากจะนั่งนานนั่นแหละอยากใช่ไหมแป๊บเดียวก็มันรู้สึกมันตื้อๆแล้วมันจะง่วงนอมขี้เกียจไปเลยลุกขึ้นมาเดินจงกรมสิ ถ้านั่งแล้วสลึมสลือนะอย่าไปนั่งมันเดินดีกว่าตัวสําคัญคือสตินะหลวงปู่เทศไก่สอนนะบอกว่าสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นเราต้องไม่ขาดสติเมื่อการเรียนเกี่ยลงปู่เหรียญก็เหมือนกันนะฝาเงินกันก็ต้องลุกขึ้นเดินสัมผัมั้คะหลวงพ่อใช้พัดด้วยนะเมื่อก่อนเนี้มีมีพัดอยู่อันน้ครับดแล้วก็รู้สึกตัวไปได้ ถ้าจิตมีเรื่ยวมีแรงไม่ต้องพัดก็นั่งดูไปสงบไปต้องไหวพระุครั้งนะคะจะต้องสวดมนต์ไหวพระทุกครั้งไหมคะสั้นๆก็ได้พุทโธธรรมโมสังโฆก็ได้่บางทีคนจะนั่งนึกว่าเอสักสินาทีพอให้กันบ้าถึงินให้กันบ้านเอาไหมคุยให้น้อยไปถ้าคุยเยอะจะปุ้งใช่ไหมค่ะ บางทีก็บอกตัวเองมัชอบบอกตัวเองว่าเออเอได้ยินเสียงนึงโอ้ช่างเหร อ, อก็อย่างนี้กลับน้บบนำมรส ก, การครัหลวงพ่อลูกหลงโลกมาประมาณสี่สิบกว่าปี<ม>แล้วก็เริ่มมารู้จั ก, จกพระเจ้าแล้วก็รักรักท่านแล้วก็ศรัทธาท่าน<ม>จริงๆแต่ว่าลูกไม่ทราบว่าปฏิบัติเนี่ยลูกได้ก้าวหน้าขึ้นบ้างหรือเปล่าเพราะลูกว่าที่รู้สึกคือรู้สึกแต่ในศรัทธา แต่ว่าสติหรือว่าปัญญาเนี่ยลูกรูก้ว่าลูกอินทรีย์อ่อนมากค่อยๆดูไปสมถาก็ทําไม่ค่อยเป็นศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่พอก็มามีความเพียรสัต t h ไหนๆสัต t h พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีศีลเราก็จะมีศีลพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําสมาธิเดินจงกรมเราก็ทำ<ม>ํำพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจเราก็มาทํานะ ไม่ค่อยค่ยฝึกไปของของการบ้านหลวงพอ่อแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ <laughs> <c oughs> การนมัสกา ร, รพระเจ้าหลวงพ่อค่ะชื่อบุญโยแจตันนะคะเคยไปไปที่สวนสันติธรรมค่ะ<น>ไม่ทราบ <c oughs> ว่าหนูปึกเป็นยังไงบ้างเลยค่ะหลวงพ่อหนู <c oughs> จะเป็นอะไรหนูก็ฝึกไปสิหลวงพอ่อกิเลสเกิดรู้ทันไหมล่ะเจ้าค่ะเออกิเลสเกิดรู้ทันก็ดีแล้วล่ะ ก็ทุกก็น้อยลงค่ะเห็นเวลาความอยากเกิดไหมค่ะเห็นค่ะมันดันขึ้นตรงไหนดูเอาไหมได้โอเคค่ะมันปูดที่มากลางอกเนี่ยเห็นไหมถ้าเรารู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันมันก็ครอบจิตเราไปหัดดูเวลาความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันดูตัวนี้ให้เยอะๆเลยค่ะพอดีหนูมีอยู่ครั้งหนึ่งหนู กายเคลื่อนไหวคือทํางานขายหนังสือนะคะก็คนเยอะก็หนูก็ดูตัวเองนี้ว่ า, วาร้านขอเราเองหรือเราเป็นลูกจ้างเขาล่ะของเราค่ะเออคนเยอะก็ดีใจสิ <c oughs> ค่ะก็แล้วก็พอดูแล้วตรงนั้นเราก็บอกว่าถ้า ง, งั้นเราคนเดียวไม่ทนันเราก็ต้องกําหนดเอาแค่คนเดียวแล้วก็ดูดูระหว่างคนกับคนมือเรายื่นไปหยิบหนังสือหรืออะไรเราก็จะมองดูกลายเคลื่อนไหวอยู่นะคะเด็กคนก็อานหนังสือไปหมดร้านเลย กายเราเคลื่อนไหวนะคะพอ ก, กายเคลื่อนไหวทีนี้รู้สึกว่าจิตมันดับมืดไปเลยะคะอค่ะไม่ดีเพ่งมากไป ม, มีหน้าที่ขายหนังสือก็ดูลูกค้าสิเนะมื่อดูอยู่นี่แล้วอย่างนี้ก็เสร็จสิ่ก <G l ain> ็หนู <G l ain> ดูอยู่ะคะ่ะพอ ก, กายมันเคลื่อนไหวหนูก็ดูใครรู้ทันใครรู้ทันใจของเราเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก อย่างลูกค้าบางคนเห็นหน้าเราก็ชอบนี่ไหมลูกค้าบางคนมาเห็นหน้าเราก็ไม่ชอบแนละ้วหน้าตาอย่างเงี้ยักมากถามมากซื้อน้อยอะไรเงี้ยนะเห็นหน้าคนนี้ชอบรู้ว่าชอบเอ็คนนี้ไม่ชอบรื้ว่าไม่ชอบดูของเราเข้าไปเลยนะมีอะไรผมขอแนะนํานุ่เยันยันน้อมจิตให้ซึมนะสมาธิไม่ได้แปลว่าน้อมให้ซึมน ะ, ะ, ะที่ฝึกย่น้อมใจให้ซึมมากไป พยายามเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นเพิ่มสติขึ้นคจำซึมไปเราซึมมากมากก็ดับไปเลยส่งหนังสือให้เขาว่าตามปกติมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ <c oughs> เจอถึงหนูก็งงเหมือนกันพอจิตมันขึ้นมาถึงจิ ม, <อ>มันรวมปไปค่ะจิตมันรวมไปพ<ป>ยายามรู้สึกตัวไว <c oughs> ้เยอะๆค่ะห <c oughs> นูมีความรู้สึกที่แบบว่าลักษณะที่กายทางกายนะคะมันมีประสบการณ์มากกันกลัวเลยอะคะ่ะ ทุก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะค่ะได้ฟื้นเอาไปวัฒการค่ะช่วงนี้มีความรู้สึกว่ารักษาศีลได้ดีขึ้นนะฮะเวลาจะพูดอะไรแล้วบางทีเหมือนจะคิดได้ว่าเอ๊ะจะผิดศีลหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าจะไวขึ้นแต่บางบางบางสภาพบางสภาวะนี่ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าอย่างเรียกว่าอะไร่ะอย่างอย่างขณะนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันไปเพ่งเอาไว้หรือมันฟุ้งซ่านนะคะหลวงพ่อ ก็มันฟุ้งอ่ะเราตื่นเต้นอ่ะเรากลัวเราเพ่งเอาไว้เราไปแทรกแซงมันเพราะฉะนั้นตับอินทรีย์ทำฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ไปห้ามมันสินะอย่าไปแทรกแซงมันถ้าแทรกแซงมันใจจะแน่นๆแต่ถ้าผิดศีลนะจะทําผิดศีลต้องแทรกแซงนะไม่ทําำไม่เหมือนกันนะในขั้นถือศีลต้องตั้งใจจริงๆเป็นตายก็รักษาไว้ในขั้นเดินปัญญาต่างหากไม่แทรกแซงกุลานกัน นั้นอยากจะทําผิดศีลต้องต้องข่มตัวเองไว้ไม่ทําคำตั้งใจเด็ดเดียวไม่ทํำออปัจจุบันนี้เวลาปฏิบัติไม่แน่ใจค่ะหลวงพ่อว่ามันมันปล่อยมากไปปล่อยตามโลกมากไปหรือหรือว่ามันมันเป็นปกติปล่อยปล่อยไปนะ <ไป S 1> ครับคุณค่ะครับนมสัส ก, การหลวงพ่อครับขอโอกาสครับอื ม, มาจากกรัดใหญ่ครับก็พ อ, อดีปีใหม่ไม่ได้ไปครับนะครับก็เคยขออนุ ญ, ญาตสง่งกันบ้านที่นี่ ก็ตั้งแต่ลดความคาดหวังลงอืก็รู้สึกว่าค่อนข้างยาเบาขึ้นในการปฏิบัติครับอืใช่เราต้องไม่ทํำด้วยความโลภนะขยันนะแต่ไม่โลภอะ่ะหมายถึงขยันทําเหตุแต่อย่าอยากได้ผลไม่ทราบที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้างครับดีแล้วใช้ได้มาสการ์ดครับหมดแล้วนะ เ, รเรียนเชิญสิบ15ท่านที่ส่งกันบ้านกลับที่ก่อนนะครับ ข อ, อนุ ญ, ญาตนำทุกท่านกล่าวคาถวายจตุปัจจัยทยทานในหลวงพ่อพร้อมกันนะครับว่าตามกันเลยละกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลา ย, ลลายขอน้อมถวา ย, วายกตุปัจจัยทยทานและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แ, นนแด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมทโช ขอพระอาจารย์าาารยโหดรั บ, รบเพื่อประโยชน์และความสุขส ข, ของข้าพเจ้ า, า, จาและญาติทั้งหลายสิ้นการละนานเทิดนนต้องรองรับผ่อนไหมรับเหลยโอ้อยางจะงองอีก ยะถาอริวาฮาปูราปริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกระปติอิชิตังพทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิดฉตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติราโสยะถาสัพีติโยวิวัชันตุสภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสณิจจังุทธาปัจจายิโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเชิญเชิญคุณสุรศักดิ์ถวายปัจจัยหลวงพ่อครับเครื่องปัจจัยทยทานหลวงพ่อถวายท่านจันเชิญนะช่วยงานท่าน